มานะเก้าคำว่ามานะแปลว่าความถือตัวแต่ในที่นี้ท่านกล่าวความสำคัญความสำคัญตัวกาหนดชาติโคดสกุลรูปสมบัติทรัพย์ศิลปะวิทยาการงานความฉลาดฉเฉลียวและอื่นๆ อ, อันเทียบด้วยของคนอื่นโดยมากด้วยกันจำแนกออกเป็นเก้า คืหนึ่งเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาสองเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขา 3. เป็นผู้เลิศก ว, ว่าเข า, วว า, ส, า OM, สำคัญตัวว่าเลวกว่าเขา 4. ีเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาหเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขา หเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเลวกว่าเขาเจ็เป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาแปดเป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาเกเป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลวกว่าเขาคือมานะข้อหนึ่งถึงข้อสี่ ข้อหนึ่งข้อสี่ข้อเจ็ดเข้าลักษณะทนองตัวนะเข้าลักษณะทนองตัวข้อสองข้อห้าข้อแปดเข้าลักษณะตีเสมอนะตีเสมอท่านตีตัวเสมอท่านข้อสามข้อหกข้อเก้าเข้าลักษณะถมตัวนะเข้าลักษณะทอมตัว ลักษณะมานะที่หนึ่งที่สองตรงกับจองหองและทอมตัวนะตรงกับจองหองและทอมตัวคือพูดง่ายๆว่าจัดเป็นมานะชอบอยู่ส่วนมานะที่สามไม่น่าจะเป็นมานะบางทีหมยเอาหมินตนเองอ่าหมินตนเองเรียกว่าหมินตัวเองอย่างนั้นแล้วก็ ริษยาและคิดแข่งขันกับคนอื่นอิจฉาริษยาคิดแข่งขันคนอื่นหรื อ, อเพียงศักว่าสำคัญตนจัดเป็นมานะเช่นมานะในสังโยชน์ามานะในสังโยชน์นี่เป็นเรื่องของมานะเก้าซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ต้องอธิบายมากามันมีความชัดอยู่แล้วว่า คำว่ามานะก็คือความถือตัวนะกาหนดฐานะอาะกุลโคตรทรัพสมบัติอันนี้หมายความว่าคนเราถ้าหากว่ามีมานะเรามักจะพูดกันว่าถือตัวอวดตัวว่าดีนะว่าเลิศกว่าเขาเนเะสมอเขาอะไรอย่างนี้เลกว่าเขาในใะนทำนองอย่างนี้อนะอย่างนี้เราถือว่าเป็นพวกมานะแล้วคนมีมานะ เรามักจะพูดอีกอย่างหนึ่วว่าคนนี้มีมานะทิฏฐินะเป็นคนมีมานะทิฏฐิแต่ว่าคําว่ามานะในหมายถึงความขยันขันแข็งก็มีนะหมายถึงความขยันขันแข็งก็มีแล้วมานะบางแห่งก็หมายถึงหัวใจนะมานานะอ่ามานะนี่หมายถึงหัวใจแต่ว่ามานะในที่นี้หมายถึงว่าการถือตัวนะอวดตัว ถือตัวอวดตัวสําคัญตัวว่าดีกว่าเขาว่าเลิศ ก, กว่าเขาว่าเลว ก, กว่าเขาเสมอเขาอะไรทำนองอย่างนี้ฉะนั้นสิ่งนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของผู้ใดก็จะทําให้ผู้นั้นเรียกว่ามีแต่ในทางเสื่อมเสียมีแต่ในทางหายนะไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมเป็นที่เกลียดชังของผู้อื่นโดยทั่วไปฉะนั้น ถ้าหาก็จะตั้งเป็นคำถามว่ามานะเก้าประการกำหนดด้วยอะไรโดยย่อมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเราบอกว่ากำหนดด้วยชาติโคตสกุลรูปสมบัติัศิลปะวิทยาการงานและความเฉลียวฉลาดเป็นต้นโดยย่อมีลักษณะท น, นงตัวตีตัวเสมอตีเสมอหรือว่าทมตัว มานะมีลักษณะกี่อย่างถ้าจะถามว่ามานะมีลักษณะกี่อย่างอะไรบ้างและอย่างไหนที่ไม่น่าจะเป็นมานะแต่ท่านก็จัดไว้ชะรอยจะมีกลลเม็ดแฝงอยู่อหรืออย่างไรอันนี้เราก็แก้ว่ามีลักษณะสามอย่างคือเป็นผู้เลิศกว่าเขาอย่างหนึ่ง เป็นผู้เสมอเขาอย่างหนึ่งเป็นผู้เลวกว่าเขาอย่างหนึ่งลักษณะที่สามไม่น่าจะเป็นมานะแต่ท่านคงหมายความว่ามีความหมิ่นตนเองอิจฉาและความคิดแข่งขันเขาหรือเพียงแต่สาคัญตนอยู่ด้วยประการใดก็จัดเป็นมานะได้หรือถ้าจะถามว่ามานะเก้าควรจัดเป็น มานในมารห้าประการไหนได้หรือไม่เพราะเหตุไรอันนี้ได้จัดเข้าในกิเลสมารจัดเข้าในกิเลสมานเพราะการถือว่าตนเลิศตนเสมอตนเลวเป็นลักษณะของกิเลสซึ่งกำจัดความดีให้ทรมานหรือว่าสูญหายไปได้นี่เป็นเรื่องของของมานณนะ์เก้า เมื่อพูดถึงมานะเก้าก็อยากจะพูดถึงโลกุตรธรรมเก้าต่อไปโลกุตรธรรมเก้าก็ได้แก่มรคสีพนสีนิพพานหนึ่งนะคำว่าโลกุตรธรรมได้แก่ธรรมอันพ้นวิสัยของโลกจำแนกเป็นเก้าประการคือมรคสีพนสีนิพพานหนึ่งมรคสีพ4สี ก็ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นมรรคสี่ก็คือโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคนี่อรหัตมรรคผลสี่ก็คือโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลนิมรรคสี่ผลสี่แล้วก็รวมนิพพานอีกหนึ่งก็เป็นเก้าแต่ว่าในนิพพานในที่นี้ท่านหมายเอาอนุปาทิเสสนิพพานเพราะ อุปาที่เศนิพานก็คือตัวอารหัตผลนั่นเองทีงนี้ถ้าจะตั้งเป็นปัญหาถามว่าพระนิพา น, เ ป, นรรเป็นธรรมะด้วยหรือไม่ถ้าเป็นคงมีสามัญลักษณะสามประจําอยู่ทุกทุกอย่างหรือจะกล่าวอย่างไรอันนี้เราก็แก้ว่า เป็นธรรมด้วยเหมือนกันแต่เป็นธรรมชั้นโลกุตระธรรมคือเป็นธรรมชั้นสูงหาประกอบไปด้วยสามัญลักษณะทั้งสามไม่แต่คงประกอบเฉพาะด้วยอนัตตลักษณะเท่านั้นเพราะธรรมเป็นสภาพหาตัวตนไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับบัญชาเป็นของมีมาสําหรับโลกเหตุนั้นจึงจัดเป็นอนัตตาได้ในคาว่าสัพเพธรร ม, มาอนัตตา ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนหรือถ้าจะถามมาเพราะเหตุไรนิพพานในโลกุตระทำก้าจึงหมายเอาเฉพาะอนุปาทิเสสนิพพานเท่านั้นอันนี้เราก็แก้ว่าการที่ท่านหมายเอาเฉพาะอนุปาทิเศ ส, สนิพพานนั้นเพราะอนุปาทิเสสนิพพานเป็น อันท่านกล่าวแล้วในผลสี่ถ้าหมายเอาอุปาทิเสสนิพพานด้วยก็จะเป็นการซ้ํากันไปนะเป็นการซ้ํากันไปฉะนั้นท่านจึงหมายเอาอาจจะเพาะอนุปาทิเสสนิพพานเท่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องของโลกุตระธรรมเก้านะเรียกว่าเป็นทางชั้นสูงพลวิสัยของชาวโลกเหนือโลกนะเมื่อพูดถึงโลกุตระธรรมเก้าแล้วก็ควรจะพูด ทำอีกบทหนึ่งควบคู่กันไปก็คือวิปัสสนาญาณเก้าวิปัสสนาญาณเก้าคำว่าวิปาาัสสนาญาณในแก่ยานอันนับเข้าในวิปัสสนาหมายถึงว่าคือคําว่าวิปัสสนาก็คือหมายถึงการเห็นแจ้ ง, งการเห็นแจ้งความรู้เห็นแจ้งเห็นแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง ท่านจึงจัดวิปาาัจนาญาณออกเป็นเก้าประการครืนหนึ่งอุทยพย า, ยานปรีชาคำหนึง่งเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับหมายเอาการคำหนึ่งเห็นความเกิดขึ้นและความดับแห่งสังขารในความดับของสังขาร สองยานที่สองก็คือพังคานุปัสนาญาณพูดง่ายๆก็คือว่าปริชาคำหนึ่งถึงความดับได้แก่ปล่อยความเกิดเสียคำหนึ่งเอาแต่ความดับเป็นอารมณ์เท่านั้นสามยานที่สามก็คือพยตูปัฏฐานญาณ ปีชาคำหนึง่งเห็นสังขารตากฏดขึ้นเป็นของน่ากลัวได้แก่คำหนึงเห็นสังขานี้อันตากดด้วยอำนาจแห่งความดับโดยอาการเป็นของน่ากลัวดุดสัตว์ ร, ร้ายมีราชสีเป็นต้นหรือพวกเสือโคร่งอะไร้ัวนี้ข้อสี่ อาทียานที่สี่ก็คืออาทีนะว่ณนะวานุปัสนาญาณฟีชาคำหนึ่งเห็นโทษได้แก่เห็นโทษแห่งสังขารนั้นอันจากฏด้วยประกาศนั้นว่าเป็นบุตรเรือนอันไฟไม่คือหมายความว่ามีแต่ทุกข์มีแต่โทษ ป้อที่ห้ายานที่ห้าก็คือนิพพิทาญานิพพิทานุปัส จ, จนาญานปีชาคำหนึงถึงด้วยความเบื่อหน่ายได้แก่การคำนึงถึงสังขารอันมีโทษได้เห็นแล้วนั้นด้วยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายคือหมายความว่าคือเราเห็นสังขารพิจารณาสังขารที่เห็นมีแต่ทุกข์มีแต่โทษไม่มี ไม่มีสาระอะไรที่เราควรจะยึดมั่นควรจะยึดถือเอามาเป็นประโยชน์แก่ตัวเราได้เป็นของที่ที่ไม่ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่ น, นไม่ควรที่ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็ยานที่หก ก็คือมุนจิตุกรร ม, มยตตาญาณปีชาคำหนึงถึงด้วยความใคร่ที่จะพ้นไปเสียได้แก่คำหนึงด้วยความปรารถนาที่จะพ้นเสียจากสังขาร น, นั้นที่เบื่อหน่ายแล้วดุจจัดอันติดขายใคร่จะหลุดไปเสียให้พ้นจากขายอันนี้ก็หมายความว่า เราเบื่อหน่ายในสังขารก็ปราตรนาที่จะพ้นจากสังขารงูเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่อยากที่จะมาติดหรือไม่อยากที่จะมาครอบคลองในสังขารอีกต่อไปออยากจะหลุดมออกไปให้พ้นไป ใ, ให้พ้นจากสังขารไม่เลิกการเรียนไหวตายเกิดสักทีนะึงนิยานที่เจ็ดก็คือปฏิสังขารุปัสสนาญาณ ปีชาคำนึงด้วยการพิจารณาหาทางได้แก่คำนึงด้วยการพิจารณาเฟ้นสังขารนั้นเพื่อหาทางเป็นเครื่องพ้นออกไปเสียข้อที่แปดยานที่แปดก็คือสังขารุปเปกขยาณปีชาคำนึงด้วยความวางเฉยเสียาได้แก่การคำนึงด้วยความวางเฉยในสังขารนั้น บทประหลุนผู้วางเฉยในภรรยาที่อยากันแล้วไม่มีการข้องเกี่ยวกันอย่างที่เก้าสัจจานุโลกิมิกยานปีชาอันเป็นไปโดยสมควรแก่การกาหนดหรืออริยสัจ ย, ยานนี้เป็นไปในขณะแห่งจิตอันได้ชื่อว่าอนุลมเกิดขึ้นในลำดับแห่งมโนทว า, าวัชนะ อันตัดภวังเกิดขึ้นในขณะที่อริยมรรคจะเกิดในที่สุดแห่งสังขารุเปเกคยานคือในยานที่เก้านี้เรียกว่าเป็นยานสุดท้ายเป็นยานสุดท้ายคือกำหนดรู้อริยสัจสี่ นี่ถือว่ากำหนดรูอร้อริยสัจสี่ยานนี้เป็นไปในในขณะแห่งจิตที่ได้ชื่อว่าอนุโลมเกิดขึ้นตามลำดับแห่งมนโนทวารวัชนะทีนี้ถ้าถ้ายังตั้งเป็นคำถามว่าวิปัสสนาญาณเก้าเป็นกรรมฐานประเภทไหนในกรรมฐานสองปรเสองเพราะเหตุไรเราก็แก้ว่า เป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะเป็นอ umm ุบายให้เรืองปัญญาเป็นอุบายให้เรืองปัญญาเครื่องรู้สังขารเครื่องรู้สังขารเป็นสุขุมอันละเอียดอ่อนตามลามดับเพราะว่าวิปัสสนากรรมฐานหมายถึงกรรมฐานที่เป็นอุบายให้เรืองปัญญานทําให้เกิดปัญญาโดย การพิจารณาเอาสังขารพิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาตัดกิเลสตายคายกิเลสทิ้งเห็นความจริงคือความไม่มีตัวไม่มีตนหรือถ้ายังมีปัญหาถามว่าในวิ ป, วปสัญญาญเก้าว น, นี้อนโดยตรงโดยตรงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสชนิดไหนและกิเลสชนิดนั้นขัดข้องแก่วิปสนายอย่างไร น, นี่เราก็แก้ว่าโดยตรงเป็นเครื่องกำจัดวิปัสสนูปกิเลสิทอย่างมีอพาธเป็นต้นวิปัสสนูปกิเลสนี้ขัดข้องต่อวิปัสนาอย่างไรอย่างนี้คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมทําประโยคข่าวาจรให้นวลุ่มหลงให้มัวให้มื่อดมัวให้ลุ่มหลงว่าตอนได้บรรลุมรรคผลแล้วหยุดการจเจริ ว, วิปัสสนาเพียงนั้น ไม่เจริญก้าวหน้าต่อไปอีกเนื่องด้วยเหตุนี้ท่านจึงจัดว่าเป็นเครื่องเ้องหมองแห่งวิปัสนาหรือราจะถามว่าวิปัสนาญาณก้าเรียกว่ายาณในอริยมรรคสี่ได้หรือไม่เพราะเหตุไรถ้าเช่นนั้นท่านหมายเอายานประเภทไหนเป็นอริยมรรคขยาน ่าถ้าเช่นนั้นท่านหมายเอายานประเภทไหนเป็นอริยมรรคยานอันนี้เราก็บอกว่าเรียกว่ายานในอริยมรรคแปดยังไม่ได้ในอริยมรรคสี่ยังไม่ได้ถ้าจะเรียกว่าเป็นเพียงสมุดฐานแห่งอริยมรรคนั้นได้พระวิปัสสนาญาณเก้าทั้งสิ้น ทั้งสิ้นโดยอาจก็คือเพียงรู้จักขนทางแห่งสัมมาปฏิบัติท่านจึงจัดเป็นปฏิปทาญาณทัศนะในวิสุทธิปฏิปทายาณทัศนะวิสุทธิอย่างเดียวดังมีแจ้งในวิสุทธิเจ็ดเสื่อมญาณในอายมรสีท่านหมายเอาเฉพาะญาณทัศน์วิสุทธิในวิสุทธิ 7. เจ็ดข้อท้าย นี่ก็เป็นเป็นเรื่องของวิปัสสนาญาณเก้านะเป็นเรื่องของวิปัสสนาญาณเก้าในวิปัสสนาญาณเก้านี้ถือว่าเป็นธรรมะที่สุขมุมลุ่มลึกนะในเราจะมาเรียนรู้กันโดยทฤษฎีไม่ได้นะเราจะต้องรู้ด้วยการประพฤติธปฏิบัติต้องรู้ด้วยการประพฤติธปฏิบัติจะขอเต่าย่อๆเกี่ยวกัเฉพาะเรื่องวิปัสสนาญาณเก้าอีกครั้งหนึ่งว่า ข้อหนึ่งคืออุทยบพยาญนะอุทยบยาอุทยบพยาญหรือผู้ไทยเต็มก็คือว่าอุทยอุทยบพยานุปัตสนาญาณน่ะก็หมายถึงว่าความรู้เห็นแจ้งนะความรู้เห็นความเกิดดับนะความเกิดดับเกิดดับอะไเกิดดับของสังขารคือสามารถที่จะ แยกรูปแยกนามได้นะข้อนี้เห็นรูปเห็นนามว่าเกิดดับอยู่ตลอดเวลาบางท่านอาจไม่รู้ว่าอะไรคือรูปคือนามร่างกายหรือสังขารของเรานี้ชีวิตของเรานี้ประกอบด้วยส่วนใหญ่อยู่ห้าประการคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างนี้เรียกว่าขันห้าเรียกว่าขันห้า ขันแปลว่ากองนะในร่างกายเรามันแบ่งส่วนใหญ่เป็นห้ากองหนึ่งรูปประขันกองแห่งรูปสองเวทนาขันกองแห่งเวทนาคือการเสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์วางเฉยสามสัญญาขันกองแห่งความจําได้หม่รู้จํารูปจําเสียงจําเป็นจํำรสสีสังขารขันกองแห่ง สำคัญคือเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตใจให้เกิดความรักชอบชังได้ข้อห้าวิญญาณขันกองแห่งวิญญาณคือความรู้สึกรู้สึกกับอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ในขันห้าในรู ป, ปรขันก็คือ ก็คือกองแห่งรูปก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสี่นี้เป็นนามฉะนั้นอุทยพ ย, พยานุปัตตนายา น, นี้ก็คือว่าเห็นความเกิดดับของรูปของนามของรูปของนามอือก็คยเกิดดับแห่งสังขารนั่นเองเพราะในสังขารนั้งมีรูปกับนามแต่เราแต่เราทุกวันนี้เราไม่รู้นะพวกเรานี่ไม่รู้ความเกิดดับของรูปของนามจริงๆเรารูปนามนี่มันดับ มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทุกเสี้ยวของวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกแต่เราไม่รู้ที่เราไม่รู้ก็เพราะว่าสัน ต, ติมันมาปิดบังเราเพราะอาวิชามาปิดบังเราทำให้เราต้องมายึดมั่นถือมั่นในสังขารมีการแข่งแย่งกันลหลงไหลไฟฝันกันถึงมีการประหัตประหารกันเนี่ยเพราะถูกอวิชาครอบงาเพราะเราโง่ หากว่าเราเกิดวิชารู้แจ้งแล้วเราจะไม่แย่นกันเรื่องสังขารมาในข้อที่สองพังค า, น, า, านุปสนาญาณคือความรู้เห็นความความดับความดับข้อนี้ไม่พูดถึงเรื่องความเกิดคือมาพูดถึงความดับของสังขารหนึ่งในส่วนต่งตางๆของสังขาร เป็นอารมณ์เฉพาะความดับแห่งสังขารเท่านั้นคือหมายถึงว่าอาวัยวะทุกส่วนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันดับไปอยู่ตลอดเวลาเอเกิดไม่พูดแล้วมีแต่ว่าเสื่อมเสียไปลูกเดียวเนีมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องเสื่อมไปลูกเดียวนหมดไปลูกเดียวมาในข้อที่สามก็คือพยาตัปัฏฐานญนาน ก็หมายถึงว่าความรู้เห็นสังขารเป็นของน่ากลัวข้อนี้ได้แก่เห็นสังขารปรากฏด้วยอำนาจความดับโวยอาการน่ากลัวดุสสั์ ร, ร้ายมีราชสีและเสือโคร่งเป็นต้นข้อนี้ก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายคื อ, อยังพวกเรายังมีอวิชากันมากก็มองไม่เห็นแต่ถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติธรรมอย่างท่องแท้ อย่างลึกซึ้งแล้วเราจะเห็นว่าสังขารเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเกิดเวลามันดับขึ้นมีอาการต่างๆมีอาการต่างๆบางคนก็รู้สึกว่าตัวนผูรายมากบางคนก็ไม่ค่ดยไไง่ายๆก็คือว่าตายโดยระการต่างๆเหมือนกับพวกสัตว์ไ ร, ร้เสือโคร่งห้าสีเป็นของที่น่ากลัวมากน่ากลัว แต่ว่าเรากลับไม่น่ากลัวกลับชอบเรื่องสังขารกลับพอใจเห็นเป็นของสวยของงามนี่แหละเพราะตัวอวิชชาตันหาอุปาทานจึงได้ทำให้เราต้องยึดมั่นถือมั่นเติดกันห ล, หลงไหลกันมาในข้อที่สี่ก็คืออาทีนวานุปัสนายานปิชาคำนึงเห็นโทษข้อนี้ได้แก่เห็นโทษของสังขาร เห็นโทวดของสังขารตากดดุลเรือนไฟไหมคือเห็นทวดปรสังขารนี่มันเป็นรังของโรคบางทีเป็นรังของโรคมีการเาจ็บปวดป่วยไขย้โดยอาการต่างๆสารพัดโรคสับปทุสับ ป, ปะสอกสับ ป, ปรโรคสับ ป, ปะพ่ปปะายเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีสังขารนั่นเองเพราะมีสังขารนั่นเองแปลการที่ 5, ทห้ปปาในปีฐานุปัสนายานวี หมายถึงว่าความรู้เห็นเห็นถึงความเบือดหน่ายในสังขารมันมีทุกข์มีโทษนะว่าเพราะมีสังขานี่เนี่ยทําให้เราต้องเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนก็เพราะเรื่องสังขารทุกวันนี้ที่เราวิ่งกันพลาดไปเห็นตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับนี่ยก็เพราะเรื่องสังขานี่เอง เพราะเราทุกคนนั้นต่างก็แบกแบกภาระไว้คนละห้าอย่างคือขันห้าถ้าเรามีภรรยาเราก็แบกไ้อีกเพิ่มมาอีกห้าก็เป็นสิบมีลูกคนก็แบกไปอีกเป็นสิบห้าลูกสองคนก็แบกไปยนะี่สิบถ้าคนที่มีลูกเก้าคนสิบคนก็แบกกันหนักอึ่งไปเลยนะนี่มันก็เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายมากนะน่าเบื่อหน่ายมาก เดี๋ยวกินเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวกินเดี๋ยวถ่ายวนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยแล้วมันไม่ใช่ว่ากินถ่ายอย่างเดียวเดี๋ยวมันเกิดทุกข์เกิ ด, ทดโทดเกิดโรคเกิดโน่นเกิดนี่มีปัญหากับคนโ น, น, น้นคนนี้อะไรกันอยู่ตลอดเวลา น, นี่แหละมันเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายก็ดี่หกมูลจิตุกรร ม, มยตาญาณหมายถึงว่าความ รู้เห็นในการที่จะพ้นไปเสียหมายถึงว่าจะพ้นไปเสียจากสังขารคือเราที่เราเบื่อหน่ายนะไอ้คนเราเพอเบื่อหน่ายก็อยากจะอยากจะพ้นออกไปหมายถึงว่าไม่อยากจะมาเกิดอีกแล้วไม่อยากจะให้มันเป็นตัวเป็นต้นอีกแล้วเหมือนกับไอสัตว์ที่มันติดข่ายติดแล้วติดบ่วงอยากจะให้หลุดไปเสียเลยเพราะมันทรมานเยอเกินอมีสังขาร น, นี่มันก็ทรมานเยอะเกิน พรมาณเยอะเกินก็ดูที่บางคนนี่ก็เจ็บเป็นโรคตลอดทั้งปีเป็นโรคตลอดทั้งชีวิตบางคนก็เป็นง่อยเป็นเปรี้ยบางคนก็เกิดมาก็มีสารพัดโรคเนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายเนี่ยพอคนเราเบื่อก็อยากจะให้มันหลุดพ้นไปเนี่ อ, อยากจะหลุดพ้นไปเนมันลำบากละมลเยอะเกินนี่อย่างนี้แหละเรียกว่ามุญจิตุกรรมมยตาอย่างเจ็บปฏิสังขารุป ปฏิสังขารอปัสนายาน่างปีชาคำหนึ่งด้วยการพิจารณาหาทางข้อนี้ได้แก่คำหนึ่งด้วยการพิจารณาเห็นสังขารเพื่อหาทางเป็นเครื่องพน้นหาทางเป็นเครื่องพน้นอันนี้ก็หมายความว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะพ้นไปจากสังขารได้มีหาทางแอืมเหมือนว่าจะพ้นไปจากไอ้เกาะแก่งอันนี้ได้เราจะมีทางยังไง นี่เราต้องหาทางก็คือการจะหาทางก็คือเราต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาหามักมีองแปดหาทางมีองแปดที่จะหลุดพ้นจากนี้ให้ได้ที่จะหลุดพ้นจากนี้ให้ได้และในข้อแปดสังขารุเปกขยานก็หมายถึงว่าความรู้ เอด้วยการวางเฉยนวางเฉยหมายควองไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารนี่ยเหมือนกับบุรุษผู้วางเฉยในภริยาที่อยากกันแล้วเไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนะเฉยเฉยปลอยอ ะ, อะไรมันเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดไปมันดับขึ้นก็ให้มันดับไปวางใจเป็นกลางแล้วก็ก้าวสัจจ า, านุลงนิกายานก็คือ ความเห็นโดยสมควรการกำหนดรู้อริยสัจสี่ข้อนี้เป็นไปในขณะจิตอันได้ชื่อว่าอนุโลมเกิดขึ้นในในลำดับแห่งมนโนทวารวัชนะอันตัดภวังเกิดขึ้นในขณะที่อริยมรรคจะเกิดจะเกิดในในที่สุดแห่งสังขารุูปเปขยายนนี่ก็เป็นเรื่องสังขคุณเก้าเป็นเรื่องสังขคุณเก้า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 คำว่าสังทคุณคือคุณของพระสงฆ์หรือว่าคุณของพระอริยสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์ในที่นี้ท่านหมายเอาเฉพาะพระสงฆ์สาวกผู้ได้บรรลุธรรมพิเศษคือเป็นอริยสงฆ์เท่านั้นนับตั้งแต่ท่านผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติมัคโสดาปฏิผลสะกะทาคามิมัคสะกะทาคามิผล อนนาคามีมัชอนนาคามีผลอาตะมักอรหัตผลซึ่งเรียกว่าอริยสาวกหรืออริยบุคคลย่อมทรงคุณเก้าประการดังต่อไปนี้หรือในบทที่เราสวดว่าสุปฏติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภะควะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกะระนิโย ο. อนุตตรังภุญญาเขตตังโลกัสะทั้งหมดนี้นเรียกว่าสังคคุณก็คือคุณของพระอริยสงฆ์นั่นเองทีนี้ก็มาทำความเข้าใจไปแต่ละบทละบทคือท่านแบ่งว่าสังคคุณเป็นเก้าแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนคือในข้อหนึ่งสุ ป, ปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วหมายถึงว่าถ้าสงเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วหมายเอาปฏิบัติไปตามทางสายกลางซึ่งเรียกว่ามัตถิมาปฏิปท า, ามัชิมาปฏิปทาไม่ย่อนนักไม่ตึงเครียดนักคือปฏิบัติไม่ถอยหลังคือปฏิบัติคงอยู่ตามเดิมและก็อุกฤษขึ้นไปเป็นลำดับ ปฏิบัติกลมเกลียวกับพระศาสดาไม่ปฏิบัติเป็นปฏิปักิต่อพระศาสดาก็คือว่าปฏิบัติดีคือพูดง่ายๆคือว่าปฏิบัติตามมรรคณิองแปดก็คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือเห็นในอริยสัจสี่ สัมมาสังกัปปะดำริชอบก็คือดำริออกจากกามดำริในความไม่พยาบามดำริในการไม่เบียดเบียนข้อ 3. สามสัมมาวาจาเจราจาชอบก็คือเจราจาไม่เป็นพิษเป็นภัยก็คือว่าไม่พูดคำเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อข้อที่สี่ สัมมากัมมันตะการงานชอบก็หมายถึงว่าทำการงานด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในทางสัมมาสัมมาสมมาชีพหรือในทางสุดจริตจะเป็นการงานในทางใดก็แล้วแต่ข้อที่ห้า สัามมาอาชีวะก็คือเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพชอบก็คือเลี้ยงชีพในทางที่ถูกที่กวนในทางที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่หลอกลวงไม่เบียดเบียนเขาทำมาหากินกอที่หกสัมมาวายามะพยายามชอบก็คือพยายามในการสร้างคุณงามความดีทั้งทางโลกและทางธรรม คุณมีความเพียรในการที่จะประกอบตามอาชีพของตนตามฐานะของตนจนถึงที่สุดก็คือว่ามีความเพียรในการที่จะสำรวมระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจสำรวมแล้วก็มีความเพียรละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปแล้วก็มีความเพียรในการที่จะสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วก็มี ความเพียรในการที่ยักษษาบุญกุศลหรือคุณงามความดีที่เกิดขึ้นแล้วในจิตใจของเราไม่ให้เสื่อมไปเรื่อการที่เจ็ดสัมมาสติก็คือระลึกชอบอันนี้ก็หมายถึงว่าให้เราทุกคนนั้นไม่ประมาทก็คือมีสติเป็นประธานตั้งในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรม พราไม่ใช่สัตว์หุืคนตัวตนเราเขาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนและข้อที่แปดก็คือสัมมาส ม, มาธิก็คือตั้งใจมั่นชอบคือทำจิตใจให้แน่วแน่ให้มั่นคงไม่หวกแวกหรือว่าไม่หวั่นไหวไม่โอนเอียง คนเราเมื่อมีจิตใจมั่นคงแล้วก็ย่อมจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าสมาธิคเวภาเวทสมาอิโตยะถาภูตังประชานาตินิสุททั้งหลายจงพากันเจริญสมาธิเถิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง การรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงก็คือว่ารู้ไม่ผิดวิปริตแปรผันไม่กลับกลอกรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงก็คือว่าเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละคือคือจิตอันเกิดมาจากที่จิตใจตั้งมั่น และสมาธิก็ยังแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่คณิกาสมาธิอืมสมาธิสงบได้ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะอุปจารสมาธิสมาธิที่เฉียดเข้าไปใกล้ที่จะสงบได้นานสงบได้นานแล้วก็อปนาสมาธิก็คือสมาธิที่แน่วแน่แนบแน่นแล้วก็เนื่นนาน เมื่อถึงอัปปนาสมาธิแล้วก็สามารถที่จะปราบนิวรณโปกิเลสทั้งห้าได้ตอนนี้ก็ได้ฌานแล้วนะได้ฌานนะนี่ก็เป็นเรื่องของสุปฏิปันโนหมายถึงว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติในทาง ในมัชฌิมปฏิปทาคือทางสายกลางก็คือไม่เต็มเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปก็คือมักมีองแปดมาในข้อที่สองก็คืออุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วได้แก่เป็นผู้ไม่ปฏิบัติเรืองโลกคือปฏิบัติไม่มีมัญาสาไถ่ปฏิบัติซื่อตรงกับทศาสดาและหมู่สาวกและมูสาวกด้วยกัน ไม่มีความลี้ลับอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะต้องปิดบังอำพรางและปฏิบัติไม่มีแง่งอนต่อภาษาสดาและเหล่าภาษาวกคือหมายความว่าเป็นผู้ปฏิบัติตรงหมายว่าไม่ปฏิบัติลวงโลกไม่มีมารยาสาไถยก็คือว่าไม่มีการ หลอกลวงไม่มีการจริตมานยาทําเพื่อจะให้คนอื่นเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสหรือทําเพื่อให้เขาต้องนําลาบมาเพื่อตนทําเราทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นจริงเพื่อง่ายด้วยความจริงใจนะด้วยความจริงใจอทําเพื่อบูชาพระศาสดานตรงต่อพระศาสดา ไม่คดอไม่คดในข้องอในกระดูกว่างั้นเถอะคือไม่มีอะไรมาเคลือบแคลงถ้าหากว่าเราปฏิบัติเพื่อเป็นการหลอกลวงโลกทําให้เขาเห็นว่าเราเคร่งอะไรทํานองนั้นหรือเห็นว่าเรานี้เป็นอผู้คงแก่เรียนอแต่จริงๆแล้วเราไม่มีความรู้อย่างนั้นเลยการกระทําของเรามันฟ้องมันฟ้อง มาในข้อที่สามยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติธรร ม, มเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้แก่เป็นผู้ปฏิบัติมุ่งธรรมเป็นใหญ่คือเอาความปฏิบัติที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเป็นประมานคือหมายถึงว่าปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดอเพืวอความรู้แจ้งแทงตลอด คือเรียกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อเอาธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเอาความหลุดพ้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมเพื่อเห็นแก่หน้าหรือว่าเพื่อหวังใจคนอื่น<ม>เกิดเชื่อศรัทธาหรือว่ายังปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการเห็นแก่ลาภยศสุขสันเสริมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่เราปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมนะเพื่อธรรม ไอ้คำว่าเพื่อทำก็คือเพื่อความจริงเพื่อความถูกต้องเพื่อความดับกิเลสตัณหาเพื่อความดุดพ้นจากกิเลสตัณหาอย่างนี้เรียกว่าเราปฏิบัติเพื่อปฏิบัติทำเราปฏิบัติเพื่อเพื่อทาเพื่อมุ่งเอาทำเป็นใหญ่ข้อสี่ สามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรหมายความว่าเป็นผู้ปฏิบัติอันเป็นที่น่านนับถือสมควรจะได้รับสามีจิตกรรมคือการที่สมควรยิ่งจากผู้อื่นคือหมายความว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม คือตัวเองได้ได้คุณธรรมแค่ไหนก็ประพฤติปฏิบัติทำคือยาการทุกสิ่งทุกอย่างหรือบอกกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตนรู้ตนทราบรู้น้อยก็บอกว่ารู้น้อยรู้มากก็บอกว่ารู้มากปฏิบัติได้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามที่ตนได้ทาอันนั้นคือทำให้ผู้ที่ที่ได้เห็นแล้วก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใส น่านับถือนะสมควรที่จะได้รับสามีจิกรรมจากที่ผู้อื่นได้นำมาสักการะเคารพนบ น, นอกกราบไหว้เป็นผู้สมควรเป็นผู้สมควรฉะนั้นในสี่ข้อข้างต้นตั้งแต่สุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโค อุชุ ป, ปติปันโนภะวะโตสาวกสังโคยายปะปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโคสามีกิปติปันโนภะวะโตสาวกสังโคสี่ข้อบทข้างต้นนี้เป็นบทสันเสริญความปฏิบัติส่วนตัวส่วนตัวแล้วก็มีประเภทประสงค์ขึ้นในระหว่าง คืหมายความว่าในสี่ข้อนี้เป็นคุณเป็นคุณของพระสงฆ์ที่มีอยู่ในตัวในตัวของพระสงฆ์สาวกที่ะกรถปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบั ต, ดดบ ต, ต, บตเิเป็นธรรมแล้วก็ปฏิบัติสมควรทนีนี้ต่อมาอีกสี่ข้อก็คือยะทีทัง ญาติทางพูดง่ายคือวันนี้คืออะไรจตาริปุลิสยุคานิคู่แห่งวูุสีอัฏฐบุริสปุขคลาอัฏฐปุริสปุขคลาก็คือบุคคลแปดนะบุคคลแปดอะไรคือบุคคลแปดและบุคคลแปดก็หมายถึงว่าพระเากบุคคลแปดนั่นเอง ตั้งแต่โซดาปฏิมกักโซดาปฏิผลสกทาคานมักสกัฏฐ า, านผลอนาคายมักอนาคายบุอนัตะมักอนาตะผลเอสสะสควะโตสาวกสังโขในยิบสังสงสาวกของพระผู้มีพระภาคในแปดคนในในอายุครบคนแปดนี่แหละเป็นเป็นสาวคือผู้ที่เป็นสาวกของพระพู้เเจ้าะ ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติตรงไม่ปฏิบัติเป็นธรรมไม่ปฏิบัติสมควรก็เรียกว่ายังไม่ใช่เป็นสาวกพระพุทธเจ้ามาในข้อที่ห้าอาวุณนยโยอาวุณนยโยอันนี้ก็ขอให้นักเรียนักศึกษาแนละท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ได้รู้เอาไว้นิดหน่อยว่า โดยมากเรามักจะออกเสียงว่าอาหุเนยโยนะอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขีเนยโยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ออกเสียงชัดอย่างนั้นออกเสียงในนะนโยระหว่างเอยกับไอคู่กันในโยในโยอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขีเนยโยออกเสียงเป็นระหว่างเอยกับไอคู่กันออกเสียงใครว่าจะเป็นในก็ไม่ใช่เนยก็ไม่ใช่นะคนละครึ่ง แต่ถ้าเราโดยทั่วๆไปเรามากวาเนยไปเลยเนยไปเลยเอวุนยโยเป็นผู้ควรของคำนับคือได้แก่เครื่องสักการะอันบุคคลจะพึงนำมาให้ถึงสำนักพระอยศสงสาวกท่านทำตนของท่านสมควรที่บุคคลจะนำเครื่องสักการะมาบูชามาบูชาคือหมายความว่า มาบูชาคุณงามความดีของท่านมาบูชาที่ท่านเป็นผู้ได้ทรงศีลทรงธรรมมาบูชาในฐานะที่ท่านเป็นผู้สร้างศรัทธาให้เกิดความเชื่อประส า, าทความเลื่อมใสในจิตใจของอประชาชนทั่วๆไปฉะันก็จึงบอกว่าเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาคำนับ ไม่ไม่เสียหลายข้อหกปาหุณโยเป็นผู้เป็นผู้ควรของต้อนรับได้แก่คุณคือความเป็นผู้ปฏิบัติสมควรท่านย่อมสมควรในฐานะเป็นแขกไปสู่สำนักของผู้อื่นเจ้าของถิ่นไม่ละเลยเสียได้ในการต้อนรับคือหมายความว่าพระยส า, าวกของพระพุทธองค์นี้จะไปที่ใด สูที่ไหนชนนำบดบ้านใดที่นั้นควรจะต้อนรับไม่ควรละเลยสิเพราะเป็นผู้สมควรที่สุดเป็นสิริมงคลแต่สาวกในปัจจุบันนี้ไม่ไหวไปที่ไหนบางทีถูกเขาไล่ถูกเขาไล่ถูกเขาด่าถูกเขาว่านี่คล้ายๆว่าไม่ควรแก่การต้อนรับนี่ก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า ไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติตรงไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติสมควรก็เลยมีปัญหาข้อที่เจ็ดทักกินนโยเป็นผู้ควรแก่ของทาบุญในแก่การทำตนเป็นสฏิขาหกผู้สมควรรับไถยทานคือปัจจัยทั้งสี่อันทายยกจตุงบริจาคให้คุณหมายความว่า เป็นปฏิเค้าคือผู้รับคือสมควรที่ผู้อื่นจะามาทำบุญนะมาทาบุญคือปัจจัยทั้งสี่ที่ถวายเ ป, เป็นผู้สมควรที่จะรับนะสมควรที่จะรับเพราะก็ถือว่าได้บุญด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับก็ได้บุญได้กุศลด้วยกันทั้งคู่ข้อที่แปดอัญชลีกัลนิโยเป็นผู้ควรทำอัญเชลี คือการกราบไหว้ได้แก่ท่านเป็นผู้มีคุณความดีอยู่ในจิตใจอันสาธุชนผู้ใดผู้หนึ่งจะยกมื อ, อประนมกราบไหว้ท่านท่านก็มีคุณงามความดีพอที่จะให้ไหว้ได้ผู้ไหว้ไม่ต้องการกระดาษไม่กระไายไม่เก้อเขินด้วยประการหนึ่งประการใดข้อเก้าอนุตรังปุญญเข ต, ตังโลกัสัะ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าหมายความว่าพระสงค์เป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์นี่แล้วมเมื่อเป็นเช่นนี้ทักษินาที่บริจาคแก่ท่านย่อมมีพลานิสง์มากดบเนื้อนาที่มีดินอันดีพืชที่หวานลงไปแล้วย่อมมีผลอันไพ่บุ์ฉะนั้นพระอายิยสง์จึงเป็นเนื้อนาบุญของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ในห้าข้อข้างท้ายตั้งแต่อาหุนโยปาหุนโยทักขินโยอัญชลีกะระนิโยอนุตรังบุนะเขตตังโลกัสสะบทเบื้องปลายแสดงผลแห่งความปฏิบัติอันจักะพึงได้รับจากผู้อื่นหมายถึงว่าเมื่อผลที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ผู้อื่นก็จะนำเครื่องทยทานทยธรรมมาสการบูชาถ้าังมีปัญหาถามว่า ท่านสันมสมภาษาพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคําว่าสุปฏิปันโนและอุชุปฏิปันโนมีอธิบายต่างกันอย่างไรต่างกันคือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติไม่ถอยหลังปฏิบัติกลมเกลียวกับพระศาสดาไม่ปฏิบัติเป็นปฏิปักษ์กันส่วนคําว่าอุชุปฏิปันโนไม่ปฏิบัติลวงโลกไม่มีมารยาสาถทยประพฤติตรงตงต่อพระศาสดาเพื่อนสาวกด้วยกัน ในสังกัคุณบทว่ายายะปฏิปันโนโดยความว่าอย่างไรถ้าจะแปลว่าปฏิบัติถูกจะควรสาธุหรือไม่ควรสาธุเพราะเหตุใดโดยความก็คือเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมเป็นผู้ควรสาธุเพราะไม่มีทางคัดค้านยายะปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติถูกได้แก่ได้แก่ระเ บ, บีย บ, บ, บ, บ, บ, บกันควรสาธุนปฏิบัติถูกต้องเป็นความเป็นระเ บ, บียบถูกต้องควรสาธุ หรือถ่าจะถามว่าตังค็คุณทั้งมดท่านรวมลงเป็นกี่ตอนและจะรวมลงอย่างไรเราก็ตอบว่ารวมลงสองตอนคืออย่างนี้ตอนที่หนึ่งตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสี่รวมเป็นตอนหนึ่งเป็นบทสรรเสริญถึงความปฏิบัติส่วนตัวตั้งแต่ข้อห้าถึงข้อเก้ารวมเป็นตอนหนึ่งเป็นผลแห่งความปฏิบัติอันจะพึงได้รับ แกบุคคลอื่นหรือว่าจากบุคคลอื่นนี่เป็นเรื่องของสังกัลยก้าพอเป็นแนวทางแก่นักเรียนนักศึกษาแนะ่ผู้ฟังทั้งหลายก็อยากจะพูดในอีกข้อหนึ่งเพียงย่อๆสั้นๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องอสัตว์วาด้ก้าวนะสัตววาด้วยก้าวคำว่าสัตววาด9ก้านี้ก็แปลว่าพบเป็นที่อยู่ของสัตว์สัตวว่าดวกับววิญญาณทิฏฐิก็มีในเหมือนกัน เป็นแต่เพิ่มข้อห้ากับข้อ 9, เก้าเข้าในาสัตววาดและที่ท่านไม่จัดไม่จัดสองข้อนี้เข้าในวิญญาณทิติก็เพราะว่าสัตวดจำพวกนี้ไม่มีวิญญาณและสัญญาแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีพบเป็นที่อยู่ฉะนั้นท่านจึงจัดเข้าในาสัตววาดสัตตวาดในที่นี้ท่านจําแนกเป็นเก้าข้อคือหนึ่งสัตตวาด์เราหนึ่งคือหนึ่งสัตว์เราหนึ่งมีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์พวกเทวดาบางหมูพวกเปรตบางหมูเป็นต้นสองอสัตว์เราหนึง่งมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นพวกเทพผู้อยู่ในจำพวกพรหมผู้เกิดในอาภูมิปถม ช, ชาญเป็นต้นสามสัตว์เราหนึง่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวก รูปประพรมชั้นอาภัสรภพรมนะรูประเช่นรูปประพรมชั้นอาภาสรภพรมเป็นสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นในพวกรูปประพรมชั้นสุภกินหะรมเป็นต้นห้าสัตว์เหล่าหนึ่งไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาเช่นพวกเทพผู้เป็นอาศันยีสัต หรือนอดอสัญญีสัตยชมหนึ่งหกสัตเราหนึ่งผู้เข้าถึงอากาสารัญจายตนะเจ็ดสัตวเราหนึ่งผู้เข้าถึงอวิญญาณัญจายตนะแปดสัดว์เราหนึ่งผู้เข้าถึงอากินกัญญาญตนะเก้าสัดว์เราหนึ่งผู้เข้าถึงสัญญาเนวะเข้าถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะหมายถึงว่าผู้เข้าถึงอรูปฌานทั้งสี่ตั้งแต่ อากาสานัญญาตนะวิญญาณัญญาตนะอากินกัญญาตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะนี่ทีนี้ถ้าจะมีปัญหาถามว่าสัตว่าต่างจากวิญญาณทิติอย่างไรบ้างอสันยิสัตเป็นได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมอะไรอันนี้เราก็ตอบว่าต่างกันภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณเรียกว่าวิญญาณทิติ วิญญาณทิติคือหมายที่ตั้งแห่งวิญญาณพบเป็นที่อยู่ของสัตว์ก็เรียกว่าสัตว์ว่าตตะก็คือสัตว์อาว่ากันมาที่อยู่พบเป็นที่อยู่ของสัตว์วิญญาณทิติไม่มีอสัญญีสัตว์และไม่มีสัตว์ผู้เข้าถึงเมวัตสัญญานาสัญญายตนะอสัญญาไม่มีสัตว์อ่าวิญญาณทิติไม่มีไม่มีอสัญญีสัตว์ และไม่มีสัตว์ผู้เข้าถึงในวสัญญานาสัญญายตนะอาสัญญีสัตว์เป็นได้ด้วยอำนาจแทงจจตุทชฌานหรือถาอ้าถามว่าพวกเทพชั้นอาพัสระก็ดีพวกเทพชั้นสุกินอาสุกกินหากก็ดีเป็นภูมจจำพวกไหนบำเพ็ญธรรมเพียงชั้นไหนจึงได้เกิดในภูมินั้นๆ อันนี้เราก็แก้ว่าเป็นพรมจจำพวกรูปกระพรมพวกเทพอาพัสระพรหมบำเพ็ญธรรมเพียงชั้นทุติยาชานอย่างประนีจึงได้ไปเกิดในภูมินั้นพวกเทพชั้นสุภกินหะบาเพ็ญธรรมเพียงชั้นตติยาชานอย่างประนีจึงได้ไปเกิดในภูมินั้น หรือจะท่านจะถามว่าในสตัตววาด้ก้าจะย่นย่อเข้าในภูมิสีได้หรือไม่ถ้าได้ก็ย่นมาดูเราบอกว่าได้ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงก็อห้าย่นลงในกามาวจระภูมิอข้อหนึ่งถึงก็อห้าย่นลงในกามาวัจระภูมิก็คือตั้งแต่สัตว์เราหนึ่งมีกายต่างมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกัน ไอ้สัญญาหมายถึงว่าความจำเนี่ยมีความจําได้ไม่รู้ต่างกันอย่งมนุษย์กับพวกเทวดาหรือพวกเปรตนี่ร่างกายก็ต่างกันมีความจํานั่นก็เหมือนกันสัญญาก็ต่างกันมันจะเหมือนกันไม่ได้นะระหว่างเทวดากับมนุษย์เนี่ยมันละเอียดกว่ากันมนุษย์กับเปรตมันก็หยาบละเอียดกว่ากันสองสัตว์เราหนึ่งร่ากายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นพวกเทพผู้อยู่ในพวกครุม หมายถึงว่าพวกเทพผู้อยู่ในจําพวกพรหมผู้เกิดในภูมิปฐมฌานหรือพวกสัตว์เหล่าหนึง่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกเทพชั้นอาภัสรพรหมสัตว์เหล่าหนึง่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นเทพชั้นสุภกินหพรหมหรือว่าสัตว์เหล่าหนึ่งไม่มีสัญญาข้อห้าสัตเหล่าหนึ่งไม่มีสัญญา ไม่เสวยเวทนาเช่นพวกเทศชั้นอสัญญาสันี่แหละข้อหนึ่งถึงข้อห้ายอดลงในกามาวจรภูมิคือผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในกามส่วนรูปาวจรภูมิก็ตั้งแต่ข้อหกถึงข้อเก้าถ้าเพ่งถึงฌานหรือสมาบัติที่เป็นโลกุตระภูมิก็ลงในโลกุตระภูมิก็ได้นะก็ได้นี่ก็อเป็นเรื่องของ สัตวา่าหมายถึงว่ า, าพบเป็นที่อยู่ของสัตว์ก็คิดว่าเป็นเป็นเพียงแย่ยๆเป็นเพียงแนวทางนะที่นักเรียนนักศึกษาพอจะจดจำเอาไปก็พิปฏิบัติหรือการเรียนรู้ประกอบการเรียนการศึกษาได้ฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสังฆคุณก้าก็ดีสัตวว่าก้าก็ดีก็พอสมควรกับเวลา